ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่สิบวันที่สิบเมษา2องพนห้ารและอีกไม่กี่วันก็คงจะเป็นวันสงกรานวันที่สิบสามเมษาเป็นวันสงกรานอาทิตย์ที่ผ่านมาหลวงพ่อรู้สึกว่าธุร ก, การงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ยุ่งเยิงพอสมควรเหมือนนนะถ้าจะว่ายุ่งเยิงนะถ้าจะว่าภารกิจที่จะต้องทําก็ใช่คือภารกิจที่จะต้องทําในชุมชนสังคมในฝ่ายพระสงฆ์อันดับแรกหลวงพ่อได้ลงไปบรรจุอธิษาตสรงเจดีย์หลวงปู่สุวัดชววโจวัดเขาน้อยจังหวัดบุรีรัมย์หลวงตามหาบัว เป็นองค์แสดงธรรมตอนบ่ายสมสี่โมงของวันที่6คนก็โอ้โอรู้สึกมากงานใหญ่วันกันเจดีนี mm ่ hmm. ก็สร้างมาได้4ี่สี่ปีกว่าค่อยสำเร็จได้ใช้เงินไป2ี่กว่าล้านที่เขาประกาศในวันนั้นว่า23ล้านกว่าแต่ก็ดู็สมสมนามสมเนื้อใหญ่เป็นศิลปะของเขมรเมางนกันเพราะว่ากแถวนั้นมันใกล้ขเขมร เป็นศิละปะเขมรพอมองไปก็เห็นเลยนะ้ว่าเป็นศิละปะของขเขมรมีหินมีพญานะักดูแล้วก็กระสวยงามไปอีกแบบหนึ่งพอวันที่เจ็ดทั้งพี่น้องอำเภอสตึกบรีรำก็เ น, นวนลงไปนู่นอีกตอนเช้าสวดมวนต์ฉันเช้ายกฉัดพระประธานที่เขาสร้างมาถึงยี่สิปีที่บริเวณสนามของอ ำ, อำเภอเขา สนามอำเภอเขาเขาสร้างพระพุทธรูปใหญ่แต่ก็ูสวยงามนะต่นี้ก็ขาดการบุรณะกาทําให้เศร้าหมองทางอำเภอเขาก็เลยทางกําลังเ ง, งินกำลังกำลัองอำเภอจตึกที่เป็นผู้กว้างขวางในในถิ่นนั้นเป็นผู้มีศรัทธาเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในถิ่นนั้นจึง ก, ก็เลยพร้อมกับอำเภอบูรณะพระพุทธรูปองค์นั้นขึ้นให้ ดูดีขึ้นเหมือนปิดทองท่งานก็มาคิดอีกว่าคงจะเกี่ยวกับพระไม่มีชัดไม่มีที่มุงที่ บ, งบังก็มังเหมือนกันยเพระผ้าตากแดดตากฝนมันก็เลยพร้อมคากันทำเป็นชัดขึ้นมาเพื่อจะยกชัดขึ้นไปกัน้นพระพุทธรูป ก, ก็จะนิ ม, มนต์องค์หลวงตาไปแตนี่นเมื่อหลวงตาไม่ไปเลยทํำยังไงเขาก็เลยนิ ม, มนต์เกจิรุ่นจิ๋วงหม น, นันเนี เออเกตีรุ่นจิวมีหลวงพ่อเป็นหัวหน้ามีอาจารย์สุตธรรมจันณรงจรันบุญมีโอ๋หลายองค์จันท์บุญทันเหมือนกันแต่ร้วนแล้วแตก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะถ้าคิดเป็นพรนสาออกมาแลยก็คงร้ามสิกว่าพันษาทั้งนั้นแต่หลวงพ่อก็4ีรร่สิบสองสี่บสามพันสาวเลนับฤกษ่บวชแต่ปีศูนย์แปดจะไ้แต่น่ยได้ไปยกฉัดรับประทาน ที่อำเภอสตึกพอกลับขึ้นมาเถอะนี่พอกลับขึ้นมามาถึงวัดได้ไปบรรจุพระพรูปสาลีริกธาตุที่วัดหลวงปู่บุญมี น, มนาคูลอำเภอบ้านผือเราเนี่ยไม่ได้ฉันยังหารที่วัดเลยว่างั้ น, นพอมันถึงตอนตอนเย็นแล้วก็พุ่งนี่เช้ากออกแต่เช้าเลยไปบรรจุพระพรูปสาลีริกธาตุแล้วก็ธาตุพระอรหันต์แล้วก็คาดครูบาอาจารย์ ที่สารุสิทธิ์ได้เก็บไว้ในบ้านที่พระสงฆ์ที่ด้านในได้มาก็มีอธิธาต์มั่งพระธาตุมั่งคือพธธระธาตุพระรหัสมีหลายองค์ที่เป็นกลมกรมมีตั้งแต่หลวงปูเงป่เสาหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่อ่อนหลวงปู่เทศหลวงปู่ชอบหลวงปูส่สหลวงปู่ดุลทั้งหมด ที่หลงพ่อไลายๆดูวันนั้นสา 32, 32ิบองค์ว่างี้ยรวมกันทั้งหมดแล้วที่บรรจุอธิที่บรรจุเจดีย์ที่หลวงปู่บุญมีแปลว่าล้วนแล้วจะเป็นพระธาตุจะเป็นอธิธาตุของเกจิพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ในยุคนี้สมัยนี้ที่พวกเราเคารพนับถือทั้งหมดว่าเงีเกือบทั้งหมดว่าเงี้ย แต่เขาก็ถามมาโอ้หลวงปู่ชิงทองมีไหมหลวงปู่จวนมีไหมฮะโอ้ยไม่มีตามไม่จริงในวัดของหลวงพอ่อหลวงพอ่อมีอยู่เรื่องของลว ง, งปู่ชิงทองเพราะหลวงพ่อได้ไปช่วยจัดงานศพของท่านก็ยังมีอยู่โนเสียดายไม่ไดเอามาแต่หลวงปู่ล่ามีและก็ของหลวงตาเนี่ยก็เกษาคือผมของท่านบรรจุเข้าไปเป็นสถานที่เป็นเจดีเล็กๆ กว้างสามเมตรปีดแปดเหลี่ยมสูงก็ประมาณ10บกว่าเมตรเนะีหลวงพ่อก็เลยตั้งชื่อว่าเนี่ยเจดีย์ของหลวงปู่บมีนี่ยจิวจิวแต่เจ๋ว่เจ๋ยวเพราะเหตุอะเพราะว่าบรรจุมีแต่ของที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งที่สูงส่งที่สุดในยุคนี้สมัยนี้ที่พวกเราได้เอามาบรรจุไว้ที่นี่เพื่อจะได้กราบไหว้สักการ บ, บูชา ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้ก็ได้บรรจุวันที่8วันที่8ตอนเช้ากว่าจะเสร็จได้ถึสี่หโมงเย็น<อ>พอกลับมาอีพกพรุ่งนี้เช้าวันที่9เมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อไปนู่นนี่ไปทอดผ้าปา่าให้หลวงปู่ลีหลวงปู่ลีนี่ก็ไม่ใช่หลวงปู่ลีพาแดงนะเป็นหลวงปู่ลีหลานหลวงปู่ล่า บวชมากเกือบ3 0ม0 0บรษามท่านของมรณะาภาพบวชเมื่ออายุพายแก่พอสมควรแล้วก็ท่านได้ไปช่วยหลวงปู่ล่าสมัยสร้างวัดใหม่หลวงพ่อออกมาแล้วหลวงปูล่ลีน่ะเป็นผู้ทำสาราตรงถ้านะถ้ผ้าใหญ่น่นะฝีมือของหลวงปู่ลีนี่แหละไปช่วยหลวงปู่ล่าแล้วก็ทางถ น, นนหนทางขึ้นภูเจาก้อ หลวงปูรีก้อนหินก่อนไหนทางแถบนั้นหลวงปูรีไม่ได้ยกสิบสอนปนแปดปอนทุบนะไม่มีวะงั้นเด็ขยันขนาดนั้นแหละหลวงปูรีท่านไปอยู่ที่ภูจอก็อท่านก็ยังอายุยังไม่แก่มากเท่าไหร่ก็งั้ลังกําลังแข็งแรงนะเป็นคนใจเย็นคนตัวใหญ่ต่างหากว่างั้นเด็แต่นี้ท่านก็ออกจากภูจอกอมาท่านก็ามาอยู่ที่บ้านโพนทอง กับมรณภาพที่นี่ญาติโยมทั้งหลายเขาก็เห็นมาท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่จะสร้างเจดีเขาก็เลย น, นิมนต์หลวงพ่อไปหลายครั้งน่ะหลวงพ่อก็ไปช่วยๆเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อก็เลยรวบรวมเจตุปัจจัยภายในวัดของเราเนี่แหละไปช่วยเจดีของท่านเราะมันมันไม่เสร็จขึ้นไปแล้วมันไม่เสร็จข้าวก่อนก็ถวายไปท่านี่ก็เลยถวายไปหน1 0,000 นบาทนะเมื่อวานเนี่ยนะ ผลนั้นพวกเรานุนมู่าสนาสาธุความกันหน้าหลวงพ่อเดงผมจะตุบัจไม่ใช่ของหลวงพ่อหรอกของวัดวาศาสนาของสัทา ย, ยายญาติโจมปูนั้นถวายบางังปูนี้ถวายบางังหลวงพ่อก็จะเก็บรวบรว ม, วมช่วยดูแลบับหงพระพุทธศาสนาด้วยอย่างสร้างเจดียสร้างวัดวาศาสานานแล้วก็ลงลับรงเรียนโรงพยาบาลสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์หลวงพ่อก็ช่วยช่วยไปอันนี้ก็ได้ช่วย เจดีเมื่อวานนะ่ยพอไปเห็นแล้วมันมันจะไม่เสร็จว่างั้นเถอะเราคงจะทอดผ้าป่ายสักสองสามครั้งบ้งหลวงพ่อว่านนะแต่ทีแรกมันก็ผิดพลาดไปนี่แหละเมื่อวานหนะึ่งหลวงพ่อก็ได้ไปนี่แหละทอดผ้าป่าให้แกเจดี JD ของหลวงปู่หลวงพอ่อลีวัดบ้านโพนทองอำเภอโพตัจังหวัดหนองคายไม่ใช่ทีเสื่อมแล้วอำเภอโพตักจังหวัดหนองคายเมื่อวานนะ ถ้าจะว่าไปแล้วภารกิจของหลวงพ่อหรือภารกิจของพระเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วมันไม่แพ้คารวะญาโจูเหมือนกันเพื่อเพือาจจะมากกว่าถ้าว่านิมนต์มานิมนต์ไม่ไปยังไงล่ะท่เนเี่เสียความรู้สึกถ้าว่ามานิมนต์เราจะให้พระเล็กพาน้อยไปแทนจเจ้าภาพขงเสียความรู้สึกเพราะฉะนั้น ถ้าไม่ไปไม่ได้ต้องปฏิเสธเดี๋ยวนั้นเลยบอกไปไม่ได้ติดโทวลักจะเอาอยัางไงถ้าเขาบอกเออถ้าไปไม่ได้เอาองค์อื่นไปแทนภายในวัดของท่านอาจารย์ก็ได้ อ, อื่นยังค่อยไปแทนถ้าถ้าว่าเขาไม่ว่าจะยังไงเขาก็ต้องไปหาองค์อื่นเพราะงานของเขาเป็นงานใหญ่จะต้องเป็นที่รู้จักของชุมชนและสังคมเพราะทั้งสิ่งเหล่านี้มันก็เขาก็ฉลาดคนนั้นอีกทีนี้เขาฉลาดคนนั้นก็คือว่า เขามาให้ให้เราหาวันให้เขาเลยว่างั้นท่านอาจารย์ว่างวันไหนเยจะเอาวันนั้นเราก็เอาอยัางไงได้เลยทีนี้กันดูปฏิทินดูแล้วดูอีกดูตรงที่มันมว่างๆ <c oughs> ก็เอาเขาตัวเองจะปฏิเสธก็ปฏิเสธไม่ออกได้วันเพราะตัวเองหาวันให้เขานะ่อตาตมาไม่ว่างก็ว่าไม่ได้ทีนี้ผลที่สุดคนต้องได้ไปอย่างที่เราเล่าให้ฟังนั่นแหละนั่นคือการพูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้น ให้พวกเรารู้ว่านิรภารกิจที่เกี่ยวกับชุมชนสังคมเกี่ยวกับวัดวาศาสนาครูบาอาจารย์เียเราได้มาระดับนี้เราก็ต้องได้ช่วยตาเท่าแก่ชรากว่านี้นะแานหลวงพ่อกว่านี้ขึ้นไปหลวงพ่อก็คงจะปฏิเสธคงจะรับไม่ไหวคงจะบอกเอ้ยหลวงพ่ออายุมากแล้วไม่ไหวแล้วหยุดแล้วก็จะบอกแต่นี่พอไหวอยู่ ถ้าพอว่าอยู่ถ้าไม่ไปเนี่ยเขาก็จะหาว่าเล่นตัวอีกล่ะท่นี่ยกาลเทศะบุคคลมันยังไม่ถึงพร้อมมันนะแต่ว่าถึงยังไงก็ตามอันนั้นคือภาระภายนอกเราจะถือว่าเป็นเนื้อเป็นหนังสําหรับเราจริงๆไม่ได้คือภาระภายในของเราคือชําระกิ k i l เนี่ยอันนี้เป็นกิตจิจมเป็นและสําคัญอย่างยิ่งอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพาน อยู่ที่เมืองกุสินาราในคืนวันนั้นคือนอนอยู่ที่ต้นรังทั้งคู่พระสงฆ์ก็อยู่วงในมันรักษริย์ก็อยู่ล้อมรอบอยู่วงนอกพระนรนก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพานไปแล้วเนี่ยคือพระพุทธองค์ก็บอกว่าจวนจะสว่างในวันนี้เราตถาคตจะทิ้งขันนะนะ จะปรินิพานแล้วทีนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็ต่างคนก็ต่างเสียอกเสียใจเหมือนกับพ่อแม่ที่เป็นล้มโพธิมัยของเราจะจากไปทั้งกับบอกล่วงหน้าไม่หมดทีนี้กับพรที่ยังมีกิเลสอยู่ร้องโหมร้องไห้เสียอกเสียใจที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานที่นี้จากพวกเราเป็นอนันตการจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกทีนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก่อนร้องโหมร้องไห้พานนวก่อ คงจะแข็งใจเหมือนกันเพราะพาดนนเขาร้องไห้อยู่เหมือนกันนะท่านยังเป็นพระโสดาบันอยู่ท่านก็แข็งใจเหมือนกันเตรีมเปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขาเมืนน <c oughs> ม่อพระพุทธองค์ผ่านไปแล้วจะให้พวกข้าพระองค์ปฏิบัติอย่างไงกับศีระของพระพุทธองค์พระเจ้าข่าพระพุทธองค์บอกว่าอย่าเลยอานด์ฟังนะสิพระพุทธเจ้าเนี่ยขนาดชวนจประปรินิพานใจจะขาดอยู่แล้วท่านก็นยังห้ามอยู่อย่าเลยอานนโดา อย่ามายุ่งกับสีละของเราตถาคตเลยหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายคือพยายามเผากิเลสในใจของท่านให้เหือดแห้งนั้นละเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายอย่ามายุ่งกับเรื่องธาตุเรื่องขันของเราธาตุขันของเราเป็นหน้าที่ของกษัตริย์มันลกษัตริย์เขาจะจัดการเองเมื่อเราผ่านไปแล้วหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายคือให้เผากิเลสนะพวกเราฟังเลยสิว่าพวกเราจะทำธุราการงานอันไหนก็าตาม อย่าไปลืมที่ว่าเผาขิเลสในใจอันนี้คือจุดภาพประสงค์ของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแต่ว่าพวกเรายังไปถือว่าภายนอกอยู่ทนีน้นไปหากินข้าวต้มข้านมตรงนั่นตรงนี้เป่หาว่าช่วยงาน ที่แท้ตัวเองหิวกระหายอยากกระเสือกกระสนไปหากินเหนนพาะวาไปช่วยงานทำไมไม่ช่วยเผากิเลสในใจของตนเองให้เหือดแห้งหายไปอันนั้นคือพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่อย่าเลยอาหนุนให้พวกท่านทั้งหลายพยายามกำจัดชำระ ก, กิเลสภายในใจของท่านเผากิเลสภายในใจของท่านให้เหือดแห้งไปอันนาั้นหน้าที่ของพวกท่าน เรื่องศีละของตถาคตเป็นหน้าที่ของกษัตริย์มันลักษัตริย์เขาจะจัดการพวกท่านทั้งหลายไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องยุ่งให้พวกท่านทั้งหลายเผากิเลสภายในใจของพวกท่านก็นั่นแหละพระอานน์ก็ยังไม่ลดละเพียงแค่นั้นพระอนุนกราบทูลขึ้นมาว่าจริงอยู่พระเจ้าขา่าในเมื่อพระองค์ผ่านไปแล้วถ้าหาว่ามันลักษัตริย์ถามพวกข้าพระองค์ว่าจะปฏิบัติอย่างไรต่อพระสีระ ของพระพุทธเจ้าท่านอา น, นุ์พวกข้าพระองค์ก็จะได้ตอบถูกว่าให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนั้นพระเจ้าข้าเออพระพุทธองค์เออจำท น, นตหลักเหตุผลใช่ไหมล่ะท่านก็บอกเออถ้าเขาถามนะก็ให้ปฏิบัติกับศีระของเราตถาคตเหมือนกับปฏิบัติกับศีระพระเจ้าจากักรพรรดิแต่ตอนนี้พระเจ้าจากักรพรรดิยุคนี้ก็ไม่มีทีนี้ก็ จะทำยางไงก็ต้องถามต่อพี่ว่าการปฏิบัติต่อพระศีลของพระเจ้าจากักรพรรดนั้นเขาปฏิบัติอย่างไรพระเจ้าข่าหมือนพาโนนกัด ล, ลุกเข้าไปอีกพระพุทธองค์เขาบอกว่าการปฏิบัติต่อศีลของพระเจ้าจากักรพรรดนั้นเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิชิ่นพระชนหรือมรณภาพหรือตายลงไปเขาต้องชําระ ผากายของพระเจ้าจักรพรรดิให้สะอาดจากนั้นเขาก็เอาสำลีเอาสำลีชุบด้วยน้ําหอมที่กลั่นกรองแล้วถึงร้อยครั้งที่เป็นน้ําหอมที่ละเอียดเหมือนกันละเอียดที่สุดจากนั้นเมื่อเอาชุบน้ําหอมแล้วพันพระสีระของพระเจ้าจักรพรรดิรอบหนึ่งด้วยสำลีแล้วเอาผ้าขาวพันอีกรอบหนึ่งและเอาสำลี พันอีกรอบหนึ่งเอาผ้าขาวพันอีกรอบหนึ่งทําอย่างนี้ถึง500อครั้ง500ชั้นจากนั้นแล้วนําไปวางลงลางเหล็กเมื่อวางลงลังเหล็กแล้วก็มีฝากคอบแล้วก็ยกขึ้นเชิงตะกอนเชิงตะกรนั้นเต็มไปด้วยไม้หอมหนานาชนิดนั้นก็ประชุมเพิก อันนี้ก็คือพระพุทธองค์สั่งพระอนุลบอกพระอนุลพระอ น, นุลก็พอได้ยินอย่างเงี้ร้องหมลร้องให้อีกไปเกาะกิก่งเหนียวกิ่งลังร้องให้เห็นว่พาพระอ น, นุลสมัยนั้นนะอายุแ80ดสิปีแล้วร้องให้คิดถึงพระพุทธเจ้าเพราะท่านยังเป็นพระ โสดาบันอยู่ท่านยังตัดกิเลสราคาโทสะโมหะยังไม่เด็ดขาดเหนั้นกเพียงแต่ว่ากำจัดกิเลสให้เบาบางคือเป็นพระโสดาบันอยู่กิเลสยังไม่ตัดขาดเพราะนั้นท่านยังมีความเศร้าโศกโศกาดูนสำหรับปุถุชนจากนั้นผมพูดน้องก็ได้เรียกเข้ามา อันนี้ประเด็นเรื่องนี้ที่หลวงพ่อได้พูดทั้งหมดว่าคือภาระที่หลวงพ่อได้กล่าวมาเบื้องตน้นตั้งแต่บรรจุอธิษฐานหลวงปู่สุวัตก็ดียกชัดก็ดีบรรจุพรบรมสาลีริศธาตุของหลวงปูนก็ดีล้วนแล้วจะเป็นกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่เราทําไปแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอดก็ยัง ยังไม่ใช่จุดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงจุดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงคือชำระกิเลสภายในใจให้ดูใจของตนเองว่าวันนี้เราคิดเรื่องอะไรใจของเราปรุงเรื่องอะไรใจของเราวิตกวิจาร์ไปเรื่องอะไรจากนั้นก็ใช้ธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาคือมรรคแปเนี่ยเข้ามา การกรองไตรตรองเหตุและผลสัมมาทิฏฐิคือความเห็นของเรานถูกต้องไหมเป็นสัมมาทิฏฐิไหมสัมมาสังกัปโปสัมมาวาชากรรมันตัวชวิวายโมจติสมาธิจิตของเราเป็นสมาธิดีไหมนี่แหละอันนี้ก็คือจุดพระประสงค์ที่พระพุทธเจ้าให้พระสาวกที่บวชมาในศาสนาของพระองค์ให้กำจัดดูให้ดูใจเลยถ้าดูดีๆแล้วใจของเราเนี่ยนะมันเอเียงไปทางกิเลส แต่ถ้าหาว่าจิตใจไม่พอใจใช่ไ้มใจของเราไม่พอใจในเรื่องเนี้มันก็จะประมวลเรื่องเก่าๆแก่ๆเข้ามาเพื่อเสริมให้มันกิเลสมันลุกขึ้นเหมือนันเนีอเพื่อจะให้มันดาน่าคนไม่พอใจในคนๆ น, นั้นให้มากขึ้นมันไม่ใช่เอาแต่เฉพาะปัจจุบันนะมันจะประมวลเรื่องเก่าๆ เ, เรื่องจุดบกพ่องทรวนทะเลาะกันมาเก่าๆนัน ประมวลเขามาเพื่อจะเอาไฟมาสูงใจของเราให้มันลุกขึ้นเอให้ฆ่าเขาได้ดาเขาได้ไตีเขาได้ลักษณะอย่างนั้นนี่แหละใจของเรามันเป็นลักษณะนั้นถ้ามันเอ็นไปทางกิเลสุกโทสัมมันก็ออกไปทางนั้นถ้าไปเอ็นไปทางราคะคือความรักความไข่ความชอบใจเลยมันจะประมวลมาหมดคําพูดคําจา เรื่องเล่าต่างๆที่ได้พบได้เจอกันที่ไหนเถอะนมันจะประมวลเข้ามาให้ใจตัวนี้ลุกไปในทางราคะตัณหาเนี่ต่างลกคือความชอบความไข่แตลักษณะอย่างนั้นสรุปแล้วก็คือใจดวงนี้มันเป็นใจแต่ว่ามันประมวลเรื่องราวภายนอกกิเลสทั้งหลายมาสูงเข้ามาอันนี้เก็บเรื่องราวอะไรเข้ามาเพื่อให้เป็นพลังเพื่อให้ใจดวงนี้ไปใน แ่ความโลภบังความโกรธบังความหลงบังราคะโทสะโมหะบางอยู่ในโลกวตะสงสารเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ให้ดูใจมันเอน็งมันเอ็งไปทางไหนมันเอี็งไปทางไหนไปทางโทสะหรือไปทางราคะหรือไปทางความโลภหรือไปทางหลงโมหะมันหลงอะไร หลงว่าตัวเองจะไม่ตายใช่ไหมหลงว่าตัวเองจะไม่แก่ใช่ไหมหลงว่าตัวเองจะอยู่ในโลกเนจักรวาลนี่นานเท่านานจะไม่ตายเป็นเลยใช่ไหมความหลงหนึ่ง ม, มันหลงอย่างนั้นอยู่ในใจของเราใช่ไหมไอนันนี้คือให้ถามตัวเองมาอยู่เสมอถ้าถามตัวเองอยู่อย่างนั้นนะจิตใจของเราเนี่ก็จะรู้รู้เท่ารู้ทันรู้ราคากิเลสราค ะ, าคะโทสะโมหะ ถ้าเรารู้แล้วท่นี้เราก็รู้แล้วสิ่งที่มันจะร้อนมันจะเผาเรานะเราจะไปแตะไปต้องไปจับมันทําไมอันนี้ก็คือใจของเราแหละท่นี้ในเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเราก็ไม่ปล่อยวางไม่ปล่อยมากก็ต้องปล่อยน้อยไม่รู้เท่ามากก็ต้องรู้เท่าน้อยแหละท่านนี้ถ้าตัดกิเลสเชาะลงไปกิเลสราคากะกตูษาไม่มาเวียนว่ายตายเกิดล เป็นพรมขึ้นไปอยู่พรมพรมพรมจุทวาธาชั้นแปลว่าตัากิเลศราคะตัวเดียวกับโทสะสองตัวทั้นั้นนะโมหะได้ยังเหลืออยู่ไม่ลงมาเกิดแล้วแสดงว่ากิเลศราคะกับโทสะเนี่ยเป็นเครื่องดึงดูดอย่างแรงว่างั้นเถอะท่านไถว่าไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกเป็นเครื่องดึงดูดอย่างแรงที่ให้ใจของเราเนี่ยบกวนเวียนเวียนวไหวตายเกิดในวัฏสงสาร ถ้าว่าตัดเชือกสองเส้นในขาดปุ๊บแปลว่าจิต ด, ดวงนั้นโดดเข้าไปอยู่อวกาศเลยว่างถ้าอยู่อวกาศตามลำพังอิศระเลยให้ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกตัดกิเลสสองตัวคือราคะกะตสะขึ้นไปเกิดเป็นพรมสุทธวาท่าชั้นอตาตปาสุทธสาสีกนิฐานะแปลว่าพรมของพระอนาคามีนะี่แนหะ ยังเหลือแต่โมหะอยู่ในนั้นบัดท่านก็ชำระท้องท่านจากนั้นก็เข้าสู่นิพพานไปเลยไม่มาไม่กลับมาเกิดอีกในโลกวัตฏะถ้าเราวิเคราะห์ดูแล้วเท่าคิดดูแล้วเรื่องราคะเนี่เป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวใจของเราให้กลับมาเกิดโทสะก็เหมือนกันเพราะนั้นให้พวกเราดูนะดูจะให้มันเอ็นไปตามกิเลสราคะโทสะ แล้วก็พร้อมกันก็ให้เรายึดที่พระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าบอกไว้ว่าให้พวกท่านทั้งหลายดูใจชําระใจเผากิเลสของพวกท่านทั้งหลายให้เกอดแห้งส่วนศีละของเราตถาคตนั้นเป็นหน้าที่ของมนรนคษัตริย์เขาจะจัดส่วนหน้าที่ของพระนั้นคืออะไรเลยเพราะนั้นให้รู้จักนาทีนะถึงเราจะทําอะไรอะไรก็ตามเรื่องอะไรก็ตาม คิดเรื่องอะไรทำเรื่องอะไรใหญ่โตเรื่องขนาดไหนก็ตามสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรก็ตามอันนั้นเป็นเรื่องภายนอกแต่เรื่องภายในพุทธท่าประสงค์ของพระพุทธเจ้าจริงๆก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานใจจะขาดตัวนั้นเลยจะทิ้งขันนะท่านยังสั่งอีกว่าเลยให้พวกท่านทั้งหลายเผากิเลสภายในใจของท่านนั้นคือหน้าที่ของพวกท่านส่วนหน้าที่ศีละเนี่ยเป็นหน้าที่ของมันรักษ์ดูสิท่านมาให้ความสําคัญเรื่อง ภายในใจนี่มากกว่าสิ่งภายนอกเพราะฉะนั้นพวกเราที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาในครั้งนี้หรือพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็เหมือนกันให้ให้คิดถึงว่าพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นคืออะไรให้ดูใจนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าใจของเราเต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะแล้วใจของเราจะยุ่งเหยิงวุ่นวายออกไปภายนอกมีแต่เรื่องจุ่งทั้งหมดแต่ทางว่าเราชําระใจได้แล้วนะ่น ความสุของพรมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในใจของพวกเรานะวันนี้เป็นวันพระหลวงพ่อก็ได้กล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพื่อจะได้ให้รู้ว่าพุทธประสงค์ของพระุทธเจ้านั้นคืออะไรนะรับพอที่ดีนะ